ผู้ใหญ่มาก็อยากจะให้ท่านให้แสดงแต่ทจริงหลวงพ่อก็เคยเคยบอกไว้ตั้งแต่ก่อนหลวอจะเสียะหลวงพ่อบอกให้จัดงานง่ายๆนะให้อาจารย์ตุสารแสดงคำบ้างให้อาจารย์โนแสดงคำบ้างให้อาจารย์ตุ่มแสดงคำบ้างให้อาจารย์งศิลแสดงคำบ้างเน่ยไปไกบบเอาแบบง่ายๆเนีก็ แสดงธรรมนะแสดงธรรมบ้างก็ได้เหมือนกันก็คิดว่าจะได้เล่าในส่วนที่ส่วนที่ได้รู้จักกับหลวงพ่อบ้างหรือว่าส่วนที่ได้อุปถัมภ์หลวงพ่อในช่วงที่หลวงพ่อเจ็บป่วยบ้างก็เป็นธรรมะที่ที่ได้เรียนรู้จักหลวงพ่อตัวก้าพเเองอยู่ว่าอาตมาก็รู้จักหลวงพ่อนะจากจากการที่คิดจะมาบวชที่ บวแล้วก็จะมาอยู่ที่วัดปาสุกโ ต, โตเคยประมาณปีสอง1ันห้าร้อยสี่เอ็ดเยมาสำรวจค่ายออกค่ายแถบจังหวัดเชียงภูมิก็มาขึ้นมาบนหางเขาตรงนี้ก็มีมีพัฒนากนที่อาเบอแกล้งคอพามาผ่านแถบหน้าวัดปาสุขโตแต่ไม่ได้เข้าวัดนะก็เคยได้ยิน ที่เสียมพัดจันเทสารรู้ว่าท่านอยู่ที่วัดป่าสุกรโตโก็ได้ผ่านประกันได้พัฒนากรก็บอกว่าแต่พัฒนากรนะตอนนั้นท่านไม่รู้จักพัดจันเทสารแต่ท่านรู้จักสงข้อกังเขียนที่วัปปดป่าศุกร์โตมีหนุ่มข้อกังเขียนอยู่ที่วัดบอกว่าถึงพระปฏิบัติ ด, ด, ปต ด, ปปดีประดิตนะิชอบเราก็ได้ยืนเสียงอ้สุุกร์โตนี่ก็ดีเนาะ มีทั้งหลพ่อกำเทียนมีทั้ ง, งอาจารย์เทศสารนะถ้าเราจะบวชเราก็คิดว่าเออเรจะมาอยู่ทีวาตวนะนะวาโสกโตเนี้ยเมื่อตอนปี4 3หรือว่าประมาณ14ปีที่แล้วพอที่จะบวชก็เลยพาญาติโยมมามาดูวัดนะมากราบหมงพ่อมาการาบอาจารย์แต่วันนั้นอาจารย์ยังไม่อยู่นะ่ะ ได้ดูวัดที่ ว, วัดป่าสุกตะโตแล้วก็ได้มากราบหลวงพ่อที่ที่ปุตติปุติที่วันข้ามที่วั ด, ดปูกระองตัวนี้แหละปุติดังที่ตั้งตืะหลวงพ่อนี่แหละแต่แต่ก่อนยังไม่มีการขยายด้านหน้าเอนนี้ขยายด้านข้างก็กราบหลวงพ่อ้วก็ได้กรีดกับท่านก็รู้สึกถึงถึงความใจดีนะรู้สึกอบอุ่น เหมือนท่านเป็นญ่าตัวใหญ่นก็ได้บอกท่านว่าจะบวชจากข้างล่างแต่ว่าขึ้นมาอยู่ที่พระปาสุโตทโธได้ไหมหลวพ่อก็บอกว่าได้ได้ดีดี น, นะมาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันก็ยังจําจําสิ่งที่หลวงพ่อพูดได้ตั้งแต่สิบสี่ปีก่อนหลวงพ่อบอกว่ามาได้ได้ไดนะมาอยู่ด้วยกันมาช่วยกัน ก็ไม่คาดคิดว่าจะได้มาอยู่กับท่านนานขนาดนี้หรืได้ช่วยท่านบ้างนะบางทีพระเจดได้ชีวิตนี้แต่ในผานเชนี้แต่ที่จริงถ้าจะว่าไปจริงก็ไม่ได้ช่วยท่านอะไรมากหกที่จริงท่านนั่นแหละเป็นคนช่วยผมหรือว่าเช่วอธรรมามากกว่าเพราะว่าถ้าไม่ได้มาอยู่ปฏิบัติที่วัดป่าสุเกตโตก็จะไม่รู้จัก ที่เรียกว่าความรู้สึกตัวที่ว่าสลวงพ่อสอนให้เราได้รู้จักกับความรู้สึกตัวรู้จักกับตัวเองแต่ก่อนเคเที่ยวตามหาเป้ามหมายของชีวิตตามหาป้ามหมายของตัวคนจริงจริงแต่จริงมันหาความหมายจากความคิดอ่านหนังสือแล้วก็คิดแลาวก็คิดว่าจะเริงเข้าใจแต่พอเจอปัญหา ก็ยังฟุ้งเหมือนเดิมอยู่แต่พอมาทำความรู้สึกตัวนามาเปิดสติตโอ้การรู้ตัวที่จริงตัวเราก็มีอยู่แล้วนะมีกายอ่ามีใจมีอยู ru, ่แล้วแต่เราไม่เคยรู้กายไม่เคยรู้ใจของเราเลยเราไปอยู่ในโลกของความคิดนะคิดนั่นคิดนี่นะถุกถุกทุกทอยู่เรื่ไป แต่ความรู้สึกตัวมันทำให้เราอยู่เป็นผู้ดูดูกายดูกายกเขาเคลื่อนไหวดูใจเขาคิดนึกเมื่อได้รู้จักกับความรู้สึกตัวรู้สึกมันเป็นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตทำให้ก็คิดว่าธรรมะรถมนมีอะไรดีมากมายแล้วก็น่าจะศึกษามเรื่อยๆศึกษามาเรื่อย ก็เรื่อยๆมาหลายปีละก็สนุกดีนะฮะไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้อยู่ตรงนี้นานขนาดนี้แต่ที่จริงก็ที่ว่าสุกโตเองก็ได้ให้อะไรแล้วก็มีอะไรที่เราสามารถทําได้แล้วก็ช่วยทวําบ้างการงานที่วัดบ้างหรือว่างานดูแลของพ่อบ้างแต่จริงเรื่องการดูแลของพ่อเนี่ยถ้าปกติถ้า ท, ท่านแข็งแรงดี อย่าได้หวังไว่าจะช่วยท่านเพราะท่านจะทําเองทุกอย่างทํางานทําการเนี่ยอท่านไม่เรียกใครมาช่วยนะถ้าเป็นงานที่ท่านพอทําได้ท่านทําเองทั้งหมดแหละจะรดน้าําต้นไม้จะปลูกต้นไม้จะปุก ด, ดิ น, นจําได้เลยปี่สีส่สี่เนี่ยถมพื้นที่ตลาราลาราน้ารักป่าสโสกโตนะยกพื้นยกพื้นสาราขึ้น ตังดินมาโถมนะท่านก็โปยดินเนะกล่ยดินของท่านเองก็จะเห็นภาพเลยนะเห็นเห็นภาพ ท, ท, ที่ท่านทีนะ่ท่านทําอืำส่วนใหญ่จามาเองก็อยู่กับอยู่ที่สุกโตนะก็าอาศัยกันสังเกตเอาเป็นคนที่ไม่ค่อยสอบถ า, า, า, นะ า, ามคุยายการเขาฟังธรรมจากท่านนะทุกวันทุกวันก็ พอจะเข้าใจบ้าจจงจากการฟังจากการปฏิบัติไม่ค่อยถามครูบาอาจารย์อยู่กับท่านมาร่วมสิบสี่ปีเนี่ยก็ไม่เคยถามธรรมะท่านเลยนะเพราะไม่รู้จะถามอะไรก็หลวงพ่อก็เทศทุกครั้งเชื่อว่าเทศทุกครั้งเนี่ยครบตั้งแต่ต้นนะเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเดินไปถึงที่สุดได้อย่างที่ท่านสอนอปา่ ก็เลยเชื่อว่าเนะี่ยที่ท่านสอนนะ่ะมันครบอยู่แล้วเหลือแต่การกระทำของเรา่นั้นแหละที่เราจะทำได้อย่างที่ท่านสอนหรือป่ก็คิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ถามอะไรท่านอยู่ตป็นมา ก, ก็ฟังที่ท่านสอนแล้วเราก็พยายามตั้งใจสอนตัวเราเองจากสิ่งที่ท่านสอนนั่นแหละแต่บางทีก็สังเกตอ่าจากตัวท่านนั่นแหละสังเกตจากการกระทาของท่านรู้สึกว่ามัน มันเป็นอะไรพี่มันชัดเจนมากอย่างความรู้สึกของขอ ง, ของผมหรือตมะเองเนี่ยรู้สึกชัดเจนมากหลวงพ่อเนี่ยเป็นเป็นส ม, มณะจริงๆนะส ม, มณะที่แปลว่าผู้ผู้มักน้อยผู้สันโดษหลวงพ่อใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสันโดษมากนะแต่ยินเรื่องราวบางทีหลวงพ่อนอนใตาต้นไม้นะอืกุติไม่ค่อยอยู่ อยู่ศาลาบ้างนอนใต้ต้นไม้บ้างนะหรือนอนตามเรียกว่าเล้าไก่ก็เคยนอน <c oughs> ได้ยินตองศาลาไก่มีเล้าไก่บางทีหลวงพ่อไปนอนใต้เล้าไก่อ่นะใต้กอไก่ก็มีเดี๋ยวจํำได้ดีเลยตอนปีสีสามที่เห็นหลวงพ่อ น, นานๆหน่อยตอนร่วงเดินธรรมติตาครั้งที่หนึ่งหลวงพ่อก็ไปร่วมธรรมญาตาด้วย ก็ดูสังเกตหลวงพ่อนอนที่ไหนเนาะไม่เห็นหลวงพ่อกางกดการเต็นอะไรหลวงพ่อนอนอยู่บนรถเจ็ดวันแปดวันน่ยนอนบนรถอินทร์สูตรสีขาวที่อยู่วัดผู่กทพรนี่แหละนอนอยู่บนรถเปิดหน้าต่างนิดนึงนะเอาผ้าคล้ายมุงมาบังตรงหน้าต่างถ้านอนแบบนี้อยู่บนรถโอ้ไม่หงพอนอนง่ายจังก็คิดอยู่นะออื ท่นใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะกินก็นง่ายๆนอนก็นง่ายๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากรู้สึกความเป็นสมณะความสมถะความสงบของท่านเนี่ยมันชัดเจนมากแต่ในความง่ายของท่านเนี่ยมันเห็นความงามนะเห็นความงามในกิริยาของท่านเนี่ยสังเกตได้ถ้าใครเห็นพ่อขณะที่เดินเนี่ยเดินแบบ เดินแบบช้างเดินแบบมั่นคงอเดินแบบมั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วก็เดินแบบสงบไม่รีบร้อนอไม่รีบไม่เร่งแล้วก็มั่นคงสังเกตได้จากการทํางานก็ดีหลวพ่อทําอะไรก็อจืจังหวัดพอดีอะะดพอดีอจะขุดดินก็จังหวัดพอดีอจะเลื่อยไม้จะทําอะไรก็อพอดี รู้สึกมันมือพอดีพอดีอดอรู้สึกมันงานงานในกิริยาของท่านในความเรียบง่ายก็ดีในความรุงานก็ดีเราเห็นความสงบความสงบในใจของท่านท่านทำไปไม่รีบร้อนแล้วก็สงบหรือว่าในสถานการณ์ที่เจออะไรก็แล้แต่ก็รู้สึกท่านเป็นผู้ที่ที่สงบนิ่งนะ ได้เคยได้ยินคนกล่าวถึงว่าท่านก็โดนใส่ร้ายป้ายสีโดนเรื่องอะไรไม่ดีกับชีวิตก็เยอะพอสมควรอืผู้คนก็เล่า ว, ว่าท่านก็เฉยเฉยท่านก็ไม่ไปต่อแยอไม่ไปอะไรอยู่กับท่านไม่เคยได้ยินท่านพูดถึงคนอื่นในทางไม่ดีไม่มีนะอะืไม่เคยเรียกว่าเขาภาษาอีสานเขาพูดกันเืยน่ะเราเคย ไม่เคยเกล่าวถึงคนอื่นใน้างไม่ดีถ้าจะกล่าวถึงก็กล่าวถึงในด้านดีของคนอื่นนี่ก็คือเป็นความสงบนะของบาจารู้นะไม่ได้สงบในเรื่องดียานะบาจาทัางก็สงบไม่เสียสีไม่ก ร, รดตุ้นพรุธต่อคนอื่นพูดถึงเขาแต่เรื่องดีๆทั้นะั้นคิดถึงก็คิดถึงแต่เรื่องดีๆอันนี้คือถึงที่ได้เห็นหลวงพ่อนะได้เรียนรู้จากหลวงพ่อ อ้าจะพูดถึงบุคคลิกหรือว่าสิ่งที่ประทับใจของหลวงพ่อเนะี่ยมีมากเนาะอาจจะไม่มีเวลาพูดนะแต่อแต่สิ่งที่ได้ใกล้ชิดท่านเพิ่มขึ้นก็ตอนที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าท่านไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ก็ได้ช่วยอะไรท่านมากหรอกออืท่านจะช่วยตัวของท่านเองตลอดรับน์่าความรุ้ติ ทำไรงต่างท่านทำเองแค่ทั้งหมดแต่ตอนที่ท่านป่วยก็ตั้งแต่ปีสี่เก้าตอนที่ท่านป่วยครั้งแรกก็ตัวผมผมอาตมาเองก็ทราบข่าวช้าอลังจากท่านเข้าโรงพยาบาลรักษาให้ชคมีโหมาร่วมสองสามเดือนน่ะถึงทราบข่าวที่หลังตอนนั้นเป็นตุ้โดมอยู่ก็ไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้ติดต่อใครอ่านะ ท่านหนึ่งก็ติดต่อกลับไปที่บ้านโยมแม่ก็เลยบอกว่าของพ่อป่วยหนะักอยู่ไอพแต่จริงไอพียนะูออกมาแล้วแต่ข่าวตรงโยมแม่ตกข่าวทุกหมานะช้าของพ่อออกมารักษาตัวอยู่ข้างนอกกำลังให้ีโมยอยู่เขาโทรกลับมาถามโยมยมีเดือดจันร์ตุ้มก็จัดไม่ได้ก็ถามอาการของหลวงพ่ อ, อดูแล้วเองดูท่าทางจะคนดูแลกคงเหนื่อย คือเราก็คิดถึงว่าสลงพ่อก็ฟังแล้วหลวงพ่อก็ดีขึ้นบ้างแล้วแต่ถ้าทางคนดูแลคงเหนื่อยเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่ดูแลแค่ผู้ป่วยนะหลวงพ่อเองมีคนรู้จักเยอต้องรับแทกต้องอธิบายอาการต้องทํานั่นทำนี่หลายอย่างตอนนั้นอาจารย์ตุ้มอยู่คนเดียวยมหนูก็ช่วยเรื่องอย่างอื่ น, นที่เป็นกีจประทัดภายนอกอก็อยู่กันสองคนก็เลย เราก็กลับมาดีกว่าไปทุดงสี่ห้าหกเดือนละกลับมาดูแลหลวงพ่อดีกว่าถ้ามีรู้ข่าวว่าคงทุดงต่อยาวแต่ถ้ารู้ข่าวก็ก็เลยต้องกลับมาก็ได้ดูแลหลวงพ่อตรงปีสี่เก้านี่คืท่านท่านท่านหายป่วยนะถึงปกติอืก็ได้เห็นอาการตรงนั้นใกล้ิดอยู่แต่ในปีห้าเจ็บนี้เนาะในปีนี้เนี่ยอ ก็เป็นช่วงที่ภาษาเองก็ไปพึ่ตรงอีกเหมือนกันนะพึ่ตรงนะแต่ก็ได้ข่าวจากพีจันตุ้ะว่าน้องพ่ออาการไม่ค่อยดีคืออาหารลำบากคือน้ำลำบากเฮ่ยเราก็ยังคิดว่าตอนเดินธรรมยตาปีที่แล้วน้องพ่อยังไ่ร่วมกับพวกเราแทบตลอดเวลาเลยมันก็ยังดูแข็งแรงดีแต่พอต้นปีก็คืนไม่ค่อยได้ แล้วก็พอไปทําเพทสแกนดูหมอก็บอกอาการว่าไม่ค่อยดีมีโอกาสที่จะมีชิ้นเนื้อมีเนื้อร้ายอพอหลวงพ่อแอดมิตที่โรงพยาบาลที่สี่คุณพาอาจารย์ตุม้มก็ส่งข่าวไปว่าหลวงพ่อแอดมิตนะคือนอาหารไม่ได้สอดท่อใส่ทางจมูกมที่สี่คุณพาหลวงพ่อสอดสอดท่อทางจมูก ใส่สายอาหารไม่สามารถกินน้ำึ้นอาหารได้แล้วก็เลยตัดสินใจลงมามาดูของพ่อช่วยปฏิการกุ้งกับย ม, มูที่โรงพาบาลคือราอผลการวินิจฉัยโร ก, ก, ก็อย่างที่พวกเราทราบกันว่าท่านก็เป็นมะเร็งเนาะแล้วก็ในตรงที่โรงพาบาลคือราเองก็แนะนาในการรักษาก้องมการใช้แสง นี่อาจจะเล่า อ, อาการคร่าวๆเลยนะเผื่อบางคนมิทราบอาการอาภาษณ์ของพ่อนะก็หมอก็ประชุมกันว่าจะฉายแสงให้กับหลวงพ่อนะคิดว่าถ้าฉายแสงถึงประมาณสามถึงห้าครั้งเนะี่ยน่าจะหายแต่ถ้าไม่สามารถฉายแสงได้ขนาดนั้นคงคงไม่หายขาดแต่ก็น่าจะทําให้ก้อนมันชะลอดตัวหรือว่ามันไม่ขยายตัวได้ก็ อพิจารณากันข้อดีข้อเสียถึงผลที่ได้รับหรือว่าถึงอาการที่ท่างจรินที่ได้เกิดขึ้นก็ประดุกันว่าอมันมีทางเลือกเดียวผ่าตัด ก, ก็ไม่ได้ีโมก็ไม่ได้ก็ฉายแสงแล้วกันเขาฉายแสงแต่ปรากฏว่าฉายประมาณปลายเดือนกุมภาแล้วเขาฉายแสงก็าา แ, งแต่ฉ า, า, า, า, ายแค่สี่ครั้งของพ่อก็หายใจไม่ได้คือตัว วันนั้นเสาราทีตนั่นหลวงพ่อออกขอออกมาพักที่มูลินที่หลวงพ้อเทียนบ้างหลวงพ่อท่านก็อยู่อยู่อยู่ตรงพยาบาลเกลาเนาะหมอถามว่าอยู่โรงพยาบาลเกลาขาดเหลืออะไรไหมหนวงพ่อหลวงพ่อบอกขาดต้นไม้ขาดอาขาศบริสุทธเนี่ยอยากขอมาอพักนอกได้สักสองสามวันได้ไหมก่อนจะถ่าแทน เขาก็ขอมาพักที่มู น, นิธิหลวงพ่อเทียนแต่ปรากฏว่าไอ้เสียงหลวงพ่อเริ่มเปลี่ยนไปในวันศุกร์การหายใจหลวงพ่อเริ่มผิดปกติในวันอาทิตย์อือเกลับมาโรงพยาบาลในวันจันทร์หมอก็ได้ตรวจยกใหญ่เลยสองกล้องไปดูอีกทีปรากฏว่าหลอดลมนะหลอดลมที่เป็นส่วนในการหายใจมันโดนเบียดถ้าเราคิดถึงแบบหลอดอาหาร ดอดกาแฟที่เราดูดนะนะแล้วมันดอดมันเล็กๆลงมานมันจะดูดยากการหายใจตอนนั้นต้องเหมือนกันมันโดนโดนก้อนเนื้อเบียดอาจจะโดนก้อนเนื้อเบียดหรว่าเกิดจากการอักเสบจากการถ่ายแสงพอดีน่ะทำให้หายใจไม่ได้หายใจลาบากไม่ขึ้นไม่ได้หล่ะหายใจลาบากเอายังไงดีล่ะหมอก็แนะนําว่าให้เจาะคอแต่ของพ่อเองอ่ะอาจจะมี มีเรียกว่ามีภาพที่ติดตาหน่อยกับคนที่เจาะคอเพราะว่าอุปชาขอ ง, องพ่อคือเจ้าคุณเาาตียนนาศจังหวัดเลยนะท่านก็เจาะค อ, อท่านไม่สบายเจาะค อ, อท่านก็เลาให้ฟังว่าเจ้าคุณเตียนนาศเนี่ยมีวันหนึ่งท่านก็ใช้ก็พาดนานแล้วก็พลาดมันทับลมดมหายใจก็ก็ตายในท่า น, นั้นหลวงพ่อก็เห็นว่าอุปชาท่านน่ะ เจอคอแล้วก็ตายท่านก็คงไม่อยากที่จะท่านก็คงไม่อยากที่จะให้ให้ร่างกายของท่านเป็นเช่นนั้นแต่ตอนนั้นทางเลือกในการรักษามันไม่มีหมอบอกว่าท่านงพ่อไม่เจาะคอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่เกินไม่กี่วันหรอกอย่างมากก็สามวันเจ็วันเนี่ยก็ไม่รู้นะก็พยากรยากแต่ถ้าไม่เจาะคอเนี่ยตอนนั้นอะ ไปไม่เกินภายในเจ็ดวันนะั่นหมอว่าประมาณนั้นอาจจะสามวันก็ได้หรืออา จ, จะวันสองวันก็ได้พราหายใจไม่ได้ก็เลยหมอก็เสนอว่าหลวงพ่อคุรที่จะเจาะค อ, อแต่หมอก็มีบังคับงนะอะหมอว่าถ้าไม่ถ้าเจาะคอมันก็มีข้อเสียก็คืออาจจะพูดไม่ได้นะออ น, น, นะหลวงพ่อจะเลือกแบบไหนเลือกการหายใจหรือการพูดอนะ่านีหลวงพ่อก็ถามความเห็นพวกเรา มีมียตมามีอา จ, จารย์ตุ้มมีโยมหมูแล้วก็คุณหมอนะที่อยู่ตอนนั้นกับหลวงพ่อหลวงพ่อกระทำความเห็นพวกเราว่ายังไงพวกเราก็ว่าก็ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่เจาะคอนเขาก็ก็าหายใจไม่ได้นะท่านหลวงพ่อไปในตอนนั้นลุกสิษย์ลุกหาที่เหลือนะ่ะเขาอาจจะยังทําำใจไม่ได้นะอันนี้มาก็ะุ้นดกับหลวงพ่อเองนะเพราะว่า ดูท่าทีของพ่อตอนนั้นก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะขอเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าถ้าไม่กล่าวของหลวงพ่อที่นี่องคพีก็อยากให้หลวงพ่อคิดถึงคนอื่นที่เขาไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจต่อการอาภาเดี๋ยการจากไปของหลวงพ่ อ, อยังรวดเร็วเนาะก็กล่าวเช่นนั้นแต่ก็เป็นการประดูกจากหลวงพ่อเองแหละหลวงพ่อ ก, ก็ยอมรับแล้วก็ให้หมอได้ไป จาะคอใส่ท่อช่วยหายใจทางทรั้งที่มันก็สร้างความลำบากทุกทรมาณต่อมาให้กับหลวงพอ่อแม่จะทำให้ชีวิตของหลวงพอ่อยาวมากขึ้นแต่เราก็เห็นว่ามันทุกข์มากจอบคอแล้วก็เสพหัะออกเยอะมากไอที่แทบว่าแทบไม่ได้หยุดนันเห็นด่างกายหลวงพอ่อเหนื่อยเพราะว่าพอมีถึงแปดกองเข้าไปในที่คอ มันไอมากไอเพื่อขับเสมหกนะทิชชู่นี่เช็ดวันหนึ่งนี่หลายกล่องเลยนะเพื่อเช็ดเสมักออกมาดีดีแต่ว่าไม่ต้องพักชั่นก็คือการดูเสมหกออกแบบนั้นเคยทําอยู่บ้างสามสี่ครั้งเห็นไหยว่าบางทีพักชั่นครั้งหนึ่งนี่อพอไอทีเป็นขึ้นชั่วโมงเห็นอาการเ ห, หรนื่อยในการทุกข์ของ ข, ของลูประคันหลวงพ่อนี่เป็นอย่างมากแต่ท่านก็ ไม่ได้โวยวายไม่ได้บนอะไรนะอื้มท่านทุกทำไปแล้วก็ยอมรับมันก็ดูแลมันอย่างดีที่สุดนะพอคิดว่าเออนั่งต า, ายก็นเอกขนาดนี้แล้วเจอะคอก็ไม่ไหวนะทำไงดีคงรับตามไม่ได้แล้วเนาะหลวงพ่อก็จะปรินใจนะที่เออไม่ต้องไถ่แทนแบบกลับมาอยู่ที่วัดของเราเดีวกว่าหเวาพ่อคิดถึงวัดภูกระพรมากนะอนะ อยากมานอนที่วัดภูกระพงนะอยากมาดูตน้นนะี้โคดอยากมาดูสายราน้ําใสอยากมาให้ญาติโยมชาวบ้านได้เห็นท่านบ้างหนะมายว่าเป็นความผูกพันนะแต่ไม่่การยึดติดนะความผูกพันก็คือสิ่งที่ท่านคุ้นเคยสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าอยู่แล้วสบายมาเห็นเช่นนั้นนะเฉพอกลับมาที่ปูกรทองเองก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะ แม้การรักษาจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เนาะก็แต่ก็ยังอยู่กับพวกเราได้นานหลายเดือนนะท่านก็อยู่กับพวกเรารักษาแบบทางเลือดบ้างรักษาแบบแนวแผนปัจจุบันบ้างควบคู่เป็นไปนะคุณหมอเองก็เต็มที่ทั้งหมอแผนปัจจุบันทั้งหมอทําเลือดนะญาติโยมเองก็เต็มที่หายานะเห็นในญาติโยมหลายคนที่เป็นลูกติดลูกผ่านก็ หายาที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกนะมาให้หลวงพ่อยาแทนขนาดไหนอาหารเสริม ด, ขดีขนาดไหนก็หามาให้หลวงพ่อหรือบางคนก็อุปถัมภ์ช่วยงานนั่นนันี่ให้กับหลวงพ่ออืมก็เห็นเลย ว, ว่าเออมันเป็นช่วงในการตอบแทนบุญคุณของหลวงพ่อนะอตัวเองก็คิดว่าสิ่งที่ทําก็ไม่ใช่อะไรพิเศษคือแค่รู้สึกถึงบุญคุณที่ท่านได้ทําต่อเราเราก็เพียงแค่ ตอบแทนดุคุณท่านเพราะนั้นอแต่มีโอกาสเพียงแค่ได้ดูแลท่านใกล้ชิดบ้างก็เห็นความเป็นไปที่ท่านสอนธรรมะแม้ช่วงหลังที่ท่านพูดไม่ได้นะ่ะแต่คนสึกว่าธรรมะที่ท่านแสดงตอนพูดไม่ได้เนี่ยมันชัดเจนนะมันชัดเจนเพราะว่าไม่ใช่ชัดเจนผ่านคำพูดแต่ชัดเจนที่กิริยาแล้วก็อาการ เห็นกิริยาอาการของกายหลวงพ่อเนี่ยแม้ไอายเยอะๆแม้ทุกข์หนักๆแต่ท่านก็พยังช่วยตัวเองนะให้เรียกว่านอนช่วยตัวเองให้กินให้ได้ช่วยตัวเองให้เรียกว่าไม่สร้างความลำบากให้กับผู้ดูแลหลวงพ่อเป็นพิสูจเป็นพิสูจอาภาตที่เรียกว่าถูกต้องตามที่รพระพุทธเจ้าท่สอนคือไม่สร้าง ไม่สร้างเรียกว่าไม่ทำให้ผู้ดูแลลำบากท่านดูแลจะเองได้ดีท่านแต่การป่วยเท่านี้ท่านอาจจะรู้แล้วมั้งว่าน่าจะเป็นการป่วยทั้งสุดท้ายของท่านมีการรักตาวีธีไหนท่านก็ยอมรับนะแต่ท่านก็จะบอกเตือนพวกเราว่าอย่าหวังมากเกินไปนะท่านบอกว่าตายแน่แน่แล้วะจะรักษายังไงก็ตายแน่แน่นะ แต่ถ้าพวกเรเห็นดีว่าการรักษาแบบนี้น่าจะดีแม้ไม่หายแต่ก็นาดีท่านก็ยอมนะอะยอมให้รักษายอมให้ฉีดยายอมให้กินยาสารพัดมากมายอท่านก็ยอมพันเพาะเมตตาพวกเราแต่ท่านแม้เหนื่อยร้าขนาดไหนนะแต่ทุกเช้าท่านก็ยังบริหารร่างกายนะอะเหนื่อยมันก็เห็นแนะตอนนอนเนี่ยท่านนอนบางทีนอนเกิดะเลยแต่ตื่นขึ้นมา พยายามบริหารตัวเองให้แข็งแรงขึ้นนะบริหารกอดนะใน ห, หายใจเล็กๆหายใจออกยาวหมอบอกว่าปอดจะได้ไม่ติดเชื้อนะท่านก็ดูแลตัวเองอย่างดีอนะเราทําแผ้อะไรต่างๆท่านก็ร่วมมืออย่างนี้อนะ่าแต่จะได้สะอาดหลวงพ่อเป็นพิสุทธิาพาธที่ดูแลได้ง่ายดูแลง่ายอะไรหนึ่งเราไม่ต้องดูแลจิตใจของท่านเลยเรื่องจิตใจเนะี่ย มีแต่ท่านช่วยนะช่วยผู้ดูแลช่วยคนที่มาเยี่ยมนะมาห่วงหลวงพ่อทําไมนะให้ห่วงตัวเองดีกว่าถ้าจะพูดกับนี้กับหลายหลายคนตอนท่านพูดได้หรือตอนที่านเขียนได้ท่านบอกไม่ต้องห่วงหลวงพ่อนะให้ห่วงตัวเองนะเรายังทุกอยู่หรือเปล่าอ่าเรายังหลงอยู่หรือเปล่าเรานังโกดหรือเปล่าให้ห่วงตัวเราเองนะไม่ต้องห่วงหลวงพ่อนะ เรื่องใจขอ ง, ของพ่อเนี่ยเราไม่ต้องช่วยเรื่องต า, ายก็ช่วยแต่ช่วยไม่มากหรอกพ่อช่วยจะ่ิีได้เยอะอยู่อ่าก็ช่วยไปตามที่ให้อาหารบ้างให้ยาบ้างดูแลดวนั่นดูนีบ้างไม่ถือว่าเป็นงานหนักมากนะแต่ก็ได้เห็นว่าท่านวางใจกับสังขารร่างกายท่านได้ได้ดีมากท่านไม่แสดงอาการแบบเครียดนะหรือว่ากวนกวาย รือว่าทุกใจให้เห็นแต่ก็มีบ้างที่สแสดงอาการทุกกายมันก็มีนะตอนช่วงที่ทุกกายนาะท่านก็ก็สแสดงให้เห็นชัดเจนอยู่ในบางครั้งแต่บางทีทุกขนาดไหนเนะี่ยมาถึงทุกกายนะหมอถามว่าจะเอายาแค่ปวดไหมเกือบจะร้อยเปอร์เซนนะประมาณเก้าสิเก้าเปอร์ซ็นี่ยท่านบอกไม่เอาอ มีแต่ตอนหลังขาตัดใหม่ๆที่มันเจ็บมากอาก็เอาอยากแก่ปวดบ้างคือหมอเองก็คาดว่าถ้าคนเป็นขนาดเนี้ยต้องปวดมากแลล่ะหมอก็วังดีว่าอยากให้ยากแก่ปวดกับหลวงพอ่อแต่หลวงพ่อเองบอกว่าปวดแค่เนี้ยทนได้ไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องพึ่งยาอ่าพอเห็นโอ้ความปวดทนของท่านก็มีสูงแต่จริงท่านอาจจะไม่ได้แค่ปวดทนท่านั้นหรอก แต่ท่านเป็นผู้ดูกายเขาทุกขนะ์ไม่ใช่เป็นผู้เป็นกายที่ทุกขนะ์เป็นผู้ดูกายที่ทุกขนะ์ไม่ใช่เป็นผู้เป็นนะสิ่งที่ท่านฝึกตอนนี้ท่านก็บอกว่าออสิ่งที่ตอที่ได้เรียนรู้กับหลวงพ่อเทียนนะ40กว่าปนะีที่อยู่ปัดป่าพุทธยานได้เรียนกับหลวงพ่อเทียนมันคือวันนี้ของท่านนะมันใช้ได้จริงนะ ก็คืออาการที่ไม่ไม่ทุกข์ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในนามท่านมักจะบอกเลยว่าเนี่ยอหลวงพ่อเทียนสอนให้เราเห็นอาการเกิดดับของนามแลรูปถ้าใครเห็นอาการเกิดดับของนามแลรูปเนี่ยมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นนในสิ่งต่างๆลูกศิษย์ขอวงพ่อเทียนถ้าทาได้เช่นนี้ยชื่อว่าเป็นลูกศิษิของหลวงพ่อเทียนจริงๆมันก็เชื่อว่าหลวงพ่อเปียนนะ เป็นลุกสีของมันค่อยเห็นสู่จริงองค์หนึ่งนะถ้าเห็นอาการเช่นนี้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามในตรงนี้นะท่านแสดงให้เราเห็นอนะืผ่านการที่ท่านป่วยหนักหนักะยิ่งเห็นชัดเลยเจ็บแปดเดือนที่ท่านป่วยนะท่านแสดงให้เห็นชัดเจนมากโดยเฉพาะนะวันสุดท้ายก่นะอนที่ท่านจะรักสังขารเนะียอาการเจ็บป่วยของท่านนะ แต่ท่านก็ยังดำรงสติของปัญญะได้ในเรียกว่าทุกอิเดียบทในขณะที่นอนป่วยก่อนที่จะเสียชีวิตนะอย่างเช่นในคืนสุดท้ายอนะนะ่ท่านจะนอนนอนป่วยอ่านะนอนให้ออกซิเจนตั้งแต่สี่ทุ่มนะจนท่านถึงตีสี่นอนตะแคงด้านเดียวตนะะแคงซ้ายตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่ท่านก็ดกดจิงเรียก เรียกเราที่ถ้าจะปลิกตัวทั้งขวาให้พวกเราไปดูออกซิเจนดูใสออกซิจเจนว่ามันจะบิบมันจะบิดหรือเปล่าเราก็ไปช่วยจับดูปรากฏว่าพอช่วงตีสีปรากฏว่าหเห็นพ่อพ่อหายใจมผูกก้อนเนื้อน่ก้อนเนื้อมันดันออกมาขึ้นหนึ่งได้ไม่ได้โดดนะดันออกมาขึ้นหนึ่งแล้วก็บิดเบี้ยวไปทางขวาอื่นเราก็เห็นว่า ตอนนั้นมันโตเร็วเวนาะพราะที่จริงตอนเย็นน่ะอจะมาเองยังรัดจะแน่นเนี่ยสอดนิ้วเข้าไปได้แค่สองนิ้วนะรัดเพิ่นแน่นสายที่รัด ก, ก็ไม่ได้เป็นสายยืดหยุ่นตอนเที่ยคืนก็ยังสังเกตโดยมันก็ไม่ดันออกมามากมันออกมานิดหน่อยแต่ตอนตีสี่ทำไมมันดันออกมาเยอะขนาด น, นี้เอ่ก็วันี้อาจารย์ตุ่มก็กลับมาจากกรุงเทพพอดีท่านไปกรุงเทพกลับมา ไม่นานนะนะแล้วก็มีทั้งอันอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยกันก็ได้สามคนช่วยกันในตอนต้นนะช่วยกันบอกท่านอั๋นไบทยาเล็กผ้ามาอานะตมาเองก็ไปฉีดยาเตรียมยาฉีดให้หลวงพ่ออาจารย์ตุ้มก็ไปดูออกซิเจนนะแบ่งหน้าที่กันปรนะค อ, องเอาออกซิเจนให้ตาหลวงพ่อพนะอฉีดยาพอปี๊ยยาให้ตาหลวงพ่อก็ สังเกตดูอาการยังไม่ดีขึ้นเท่าไรอ่ะพ่นยายขยายต่อตน้นเข้าไปด้วยอเทั้งให้ออกพิษเจนด้วยทั้งพ่นยายขยายต่อต้นด้วยพยายามจะรัดสายเข้าไปสักหน่อยใน เ, เข้าหาเลือดข้ามฉีดอีกเราแรกกะว่าฉีดเข้าเส้นเลือดแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเพราะว่าเส้นเลือดของพ่อเองค่อนข้างปอกแล้วก็หาเส้นยาอฉีเก็าพ่นเหมือนเดิมอีกปบบ ฉีดเ ข, ข้ากล้ามเนื้อก็ฉีดจนเรียกว่าปริมาณยาีนสูงสูงในพิกัดที่หมอเขาบอกว่าเต็มโดสที่สู ง, ส ง, สงแล้วก็ฉีดแค่นั้นก็พอเราจะคิดว่าโดไปสักพักเนี่ยก้อนเนื้อมันจะยุบลงไปเราจะได้รดสายเข้าดันเข้าไปนะให้มันมากขึ้นนะมันจะไม่หลุดออกมาอีกแต่หลวงพ่อเองก็ยังเริ่มหายใจแบบตะตักตะทายน่ดนึงคิดว่าก้อนเนื้อมันกงจะ ควรๆตรงปลายท่อปลายท่อถ้าเราคิดถึงเหมือนเราไปดูดดูดเฉาก้วยนะในน้ํำนะบางทีตอนที่เราดูดน้ําแล้วถ้าปลายมันไปติดเนื้อเฉาก้วยมันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ที่ประการหายใจของพ่อคงลําบากเลยนะมันคงมีก้อนเนื้ออยู่ด้านล่างทำให้การหายใจลำบากนะมันดันออกมาอแต่หลวงพ่อก็ยังปกคอปรคองปกครองอาการต่างๆท่านได้บ้างจนทัน้งท่านรู้สึกเออ ดีแล้วตับหนึ่งนะก็ท่านก็ขอเข้าห้องน้ำนะขอไปถ่ายอุญเจรันะท่านสามารถเดินเข้าห้องน้ําได้เองนะเดินเข้าไปเองอัตมาเองก็แค่แบบประคองแบบคล้ายๆท่านจะเตะหรือเปล่าก็แค่ประคองเองไม่ได้ไปจับท่านนะก็แค่ประคองอยู่ท่านก็จับราวเดินเข้าไปเองท่านปันกันทู้มตอนนั้นก็มีท่านอัจฉราิามาช่วยแล้วก็ ดูด้ากสายออกซิเจนเข้าไปในห้องน้ําเครื่องออกซิเจนเข้าไปในห้องน้ําำตัวจะมาเองตัวผมเองก็นั่งในห้อ ง, งน้ตาตรงห้องนพะ่อเน่ยดูท่านถ่ายอให้ดูที่ข้างล่างดูที่ข้างบนก็เห็นท่านก็หายใจเสียงดังนะเสียงดังอหายใจนนะคือคขาคือคขาเสียงดังแต่สังเกตหน้าตาท่านนะ่ะนิ่งมาก ห้าตาท่า น, มนไมดแสดงอาการแบบกระวนตระวายทุกใจหน้าที่ต่อ น, นั้นคีอถายอุจจาระ <c oughs> ไม่ใช่มาตรงวลเรื่องหายใจไม่ได้ท่าก็หายใจแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายอุจจ้ระใช้สายทําระฉีดล้างก็ทําเองอทําความสะอาดเตรวเองให้เรียบร้อยเราก็แค่แบบดูอาการจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถายเสร็จล้างล้างล้าง พนเสร็จนะท่านก็มามาล้างมือมาล้างหน้านะอย่างนี้นะเช็ดมือเดินจับเข้ามาที่เตียงของท่านเองนะแล้วก็แค่ประคองประคองสายออกซิเจนประคองเครื่องออกซิเจน ม, มาหลวงพ่อจะมานอนนะหลวงพ่อยังพุกเข่าขึ้นเตียงได้เองแบบมีแรงนะพุกเข่าขึ้นมานอนแต่แทงขาอื แต่ก็คาดว่าการเดิน <c oughs> การเคลื่อน <c oughs> การนั่ง <c oughs> มันก็อาจจะมีส่วนทำให้มันดันมาโดนดันท่อไปสักสักสักหน่อยพอสมควรนะเราพยายามจะเอาสายเข้าสักหน่อยก็เข้าไม่ไปไดนะ้แต่จะมาเองคนดันเองแหละนะเป็นคนดันสายเป็นคนดันข่อบ้างอาจารย์ตู้เป็นคนจอนะ่ออิเจี ท, ท, ท่านอ่านท่านเจลาก็ดู้ถาเอาทุกเจนใหม่ก็มาช่วยมาเตรียมเตรียมพร้อมมีโยมนี่ก็มาทำความสะอาดเก็บนั่นเก็บนี่ด้วยมีแม่ชีเนื้อฉือนี่ก็มาช่วยมันก็บอกแม่มชีาาเนื้อฉือพระอาจารย์ในสาลทำบ้านเสร็จเมื่อไรเดร็ผ่า น, าานมาเยนะี่ยมพระอาจารย์เขามาหน่อยนะรูปการนี้ก็ดีแล้วนะก็เน่้อฉือก็เขาช่วยดูกันตอนนั้นก็มีหกคนที่ช่วยดูกัน โทรติดต่อคนอื่นบ้างแต่ก็ติดต่อไม่ได้ก็ก็ไม่คิดว่าช่วงตรงนั้นะจะเป็นช่วงวาระสุดท้ายของของพ่อนะใครจะไปคิดว่าคนที่เดินเข้าห้องน้ำได้ด้วยตัวของท่านเองนะขับถ่ายได้เองเนี่ยจะจากไปภายในอีกสิบห้านาทีต่อมาท่านลงมานอนที่เตียงนอนไปสักพัก การหายใจก็เพียงดังมากขึ้นนะเพราะว่าข้อมันดูดออกมาสักหน่อยแต่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งนี่แหละประมาณครึ้งหนึ่งนะแต่มันไม่สามารถจะดันเข้าไปได้อีกนะท่านก็หายใจลำบากหน่อยเราก็ให้ออกซิเจนพ่นยาแล้วก็ไม่ได้นะก็บอกท่านอัานโตถามกับหมอว่าจะให้ยาเพิ่อมอีกได้เปล่านะขนาดนั้นเองท่านก็ขอ ขอกระดาษขอปา ก, กานะมาเขียนอขอมาเขียนท่านจะเขียนไปตัวธรรมาเองอยู่บนหัวตำแหน่งที่มองว่าท่านเขียนว่าอะไรอาร่านนิสัยออกอา่านในแต่บรรทัดสุดท้ายว่าตายแต่สองบรรทัดก่อน น, ะอนั้นอ่านนิสไปออกเหมือนไปคล้ า, ายกับใครคล้ายคลา ย, าายาว่าพวกเราอะไรนะรักมันที่สองอ่านนิสัยชัด แล้วคนทั้งสุดท้ายมันก็ตายน้องพ่อเขียนเสก็ไม่ดูนะไม่ต้องสนใจหรอกเข้ยน้องพ่ออันก่อนเสร็นะเขบอกกันอเข้ยช่วยหลองพ่อกันก่อนแล้วพอหพ่อเขียนเสร็จหลวงพ่อไหว้พวกเรานะประนมมือไหว้พวกเรามองพวกเราแบบมองจริงๆพวกเราก็คิดว่าหลวงพ่อไหว้ขอบคุณปกติหลวงพ่อเนะ่ะถ้าเราทําอะไรให้กับท่านาเขาจะขอบคุณพวกเราน่ะ อยู่บางทีเราไม่ทันจะไหว้ท่านท่านก็ไหว้เราตอบท่านก็ไหว้เราก่อนครั้งนี้ก็คิดว่าเหมือนกันคิดว่าเป็นการเราพาท่านเข้าห้องน้ําดูแลท่านนั่นนี่ก็คิดว่าท่านไหว้ขอบคุณพวกเราคิดว่าท่านดีขึ้นพอจำเป็นเขียนได้ก็ไหว้ขอบคุณพวกเราแต่หาดูไม่ว่าเป็นการไหว้สัมปะเพราะว่าในจดหมายที่ท่านเขียนฉบับสุดท้ายอท่านเขียน ท่านเขียนแบบนี้นะท่านเขียนว่าพวกเรานะีน่ยนีมันทัดแรกพวกเราเนี่มันอัที่สองขอให้หลวงพ่อมันอันที่สามตายคล้ายๆความหมายก็คงประมาณว่ามึงขอให้หลวงพ่อตายเถนนอะเนาพวกเราช่วยหลวงพ่อเต็มที่แล้วนะท่าทัดขันกองพ่อกรมเกินการเยียวยารักษาแล้ว่ะพอได้แล้วพอสมควรได้แล้ว น่าจะความหมายประมาณนี้นะแต่พ่อก็เขียนเพื่อสร้างนะประมาณเออพวกเรานะขอให้หลวงพ่อตายนะประมาณนี้ก็ไม่มคิดว่าเป็นการเขียนลาครั้งสุดท้ายนะเพราะบางทีบางคร่้เพ่อก็เคยกล่าวเช่นนี้นะเคยกล่าวว่าจะพ้นคืนนี้ทพิพาอ่าอาจจะตายคืนนี้ก็ได้นะแต่การเขียนงนี้ก็เป็นการเขียนที่ว่าเขียนอย่างผู้ที่มีสติเต็มที่ คืท่านรู้ว่าธาตุขันธ์ของท่านเกินการรักษาแล้วนะการที่อุจจารมันจะออกมาเนะี่ยมันคมอยากจะระ บ, บายธาตุขนันธ์คงใกล้จะแตกตัดแต่ท่านก็ยังมีสติประคองกายนะพากายไปชำระล้างสิ่งสงกปรกออกจากร่างกายได้กลับมาก็มาเขียนหนังสือมาลาพวกเราได้ยังมาไหว้สั่งลาไหว้ขอบคุณพวกเราด้วย พวกเราเองแบบที่ไม่ทันได้เองใจว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของการที่ท่านได้สื่อสารกับเราเพราหลังจากนั้นท่านก็อนอนประพักนึงนะก็คอตกพับลงไปที่ใช้คนแบบคอพับนะนึกว่าเป็นการหาท่าที่สะดวกของท่านแต่น่าจะเป็นท่าที่ทําให้ท่านหมดลมหายใจเราผมเนื้อตมาเองยังจับที่ประจรู ในช่วงท่านคอพับใหม่ๆก็ยังมีที่ไปรจรเต้นบ้างแต่ถ้าพักหนึ่งที่ไปรจรนไม่เต้นอก็ไปดูอีบนิ้วอีกข้างนึงที่ใส่เครื่องวัดที่ไปรจรและออกเซเิเจนก็ไม่มีตัวเลขเลยเออแปลกนะทั้งสองทั้งสองข้าเราจับเองก็ไม่เห็นไปดูตัวเลขในเครื่องวัดก็ไม่มี เขาเลเอาสเต็ทสเต็ทโปกเป็นหูฟังของหมอนะมาฟังดูหัวใจหัวใจเต้นหรือเปล่าฟังครั้งแรกไม่ได้ยินไม่ค่อยแน่ใจเวลาตัวฟังไม่ถูกหัวใจะฟังครั้งที่สองก็ไม่ได้ยินอผมแน่ใจแล้วแหละว่าหัวใจขอพ่อหยุดเต้นแล้วก็มองหน้ากับอาจารย์กุ้งกับคนที่อยู่ด้วยสัตะอืมหัวใจไม่เต้นแน่นอน พอแล้วเนาะหลวงอไปแล้วแหละะเรากรุงเพื่ท่านเต็มทีนะ่แล้วแหละพ่อก็เข้าไม่ได้นะหายใจก็ลำบากอท่านก็จากพวเราไปด้วยการที่สงบมากนะไม่มีาการเหมือนเหมือนเหพื่อหายใจพยายามกระตุงการหายใจไม่มีาการทุรนทุรายนะจากไปนิ่งๆเรายังไม่รู้ที่ทราบว่าท่านจากไปในเวลาเท่าไหร่เพียงแค่อนุมาณจาก เวลาที่ที่คุยกับหมอที่หมอว่าฉีดยางไม่ได้แล้วนะในตอนนั้นก็น่าจะเป็นเวลาก่อนก่อนห้านาฬิกนาะของเช้าวันที่2ี่สิบสามาท่านจากเราไปกบบแบบสงบมากนะแต่ก็รู้สึกว่าเออท่านได้สอนธรรมะบทสุดท้ายนะผู้ที่ฝึกสติกดีนะมันสามารถมีสติจนถึงเวลาตายได้จริง ไม่ใช่เป็นการขาดสติก่อนที่จะเสียชีวิตบางทีเราเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตขาดสติเพิรเจอหรือว่าพุลพลายน้องผมน้องห้าอะไรอาวรในสังขารอะไรอาวรนในรูปในหลานในพระสิงเพลิคนานแต่ก็่ไม่มีอาการเช่นนั้นท่านจากไปอย่างสงบเป็นการจากไปเหมือนกับ มันกับเรียกว่าติดสวิตไฟเ บ, บาๆลง น, นะเมืนเสียงคล้องเสียงกเสีย ง, ะงระคันพอตีลงไปนั่นก็มันสุดเสียงมันก็ค่อยๆแผ่วค่อยๆุดของเขาเองนะในการจากไปที่ที่เรียบว่าสวยงามนะเขาคิดว่าหลายคนเองก็คงไม่อยากให้หลวงพ่อจากไปเร็วขนาดนั้นนะแต่เราก็มองว่า มันก็คงถึงเวลาที่สมควรแก่ร่างกายของท่านเนาะถ้าท่านก็รู้ตัวว่าท่านจะจากไปแล้วท่านก็ได้สั่งลาพวกเราอออย่างนั้นเราต้องยอมรับความจริงนะเพาะอย่างที่พูดเมนะื่อวานน่าบางทีสังขานที่เป็นรูปกระทำเนี่ยยึดไม่ได้เติมพ่อคนเขียนไม่แค่รู ป, ปร่างหน้าตาเช่นนั้นแต่ถ้าเกิมพ่อเขียนจริงๆนะ น่าจะเป็นธรรมะที่ท่านได้สอนที่ท่านได้ทำให้เรารู้นั่นแหละนั่นแหละคือตัวที่เราสามารถพึ่งพาได้ถ้าเราจะพึ่งพาภูรือหลวงพ่อคำเขียนก็คือพึ่งพาธรรมะที่ท่านสอนเราเนั่ยแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหลวงพ่อพูดนะแม้พูดเรื่องเดียวนะพูดเรื่องเดียวเทศเนี่ยมาว่าหลวงพ่อไม่พูดเรื่องอื่นเนี่ยพูดแต่เรื่องความรู้สึกตัว เรื่องการมีสติหลวงพ่อพูดแในเรื่องนี้ตลอดแต่หน้าอาัศจรรย์ท่านเทพแบบนี้ท่านตัวเองได้ฟังก็แค่สิบสี่ปีแต่ท่านคงเทพแบบนี้มาสี่สิบกว่าปีนะแต่ท่านก็ยังไม่เบื่อคำเทศของท่านหรือคนฟังเองก็ไม่เบื่อไม่เต็มอิ่มในคําเทศของท่านฟังเมื่อไรแม้เป็นเนื้อหาคล้ายๆกันนี่แหละแต่รู้สึกว่ามันใหม่รู้สึกว่ามัน มีรสชาติคล้ายๆเหมือนกับเราทานข้าวอ่เราทานข้าวเราก็ทานข้าวทุกวันนะจะทานเมื่อไหร่ก็อิ่มก็อร่อยก็มีคุณค่ารู้สึกว่าธรรมะของพ่อเป็นแบบนั้นเอยเหมือนเราทานข้าวเหมือนเราทานน้ำอนะ่ะมันไม่เบื่อมันไม่อิ่มมันไม่เป็นเรื่องพียงอ่ามันรู้สึกมันมีคุณค่าอยู่ตลอดเวลาไี่สิ่งที่ท่านสอนธรรมะแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกต ตอนที่ท่านป่วยอมารู้สึกเองน ะ, ะจะปิดถูกยังไงนะแล้วแต่ให้พิจารณาเองแต่รู้สึกว่าในตอนที่ท่านป่วยเนี่ยท่านเป็นผู้ที่อิ่มธรรมะทนะ่านไม่นขนไฝหาธรรมะอื่นนอกตัวมาช่วยตัวท่านเองเลยอไม่นขนไฝไม่เรียกร้องไม่ยินดียินร้ายจะมีใครมาเยี่ยมหรือไม่ก็ไม่ไม่ได้เสนใจแต่ไม่ใช่ว่าไม่ ไม่รับรู้นะคือท่านไม่ได้เรียบร้องผลฝ้ายจะต้องมีธรรมะนั่นนี่มาให้อ่านมาให้ฟังหรือเปล่าต้องให้พวกเราสวดมนต์ให้ฟังไหมไม่มีไม่มีท่าทีในการที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้ถึงธรรมะที่สูงขึ้นไปเลยยังรู้สึกเหมือนความรู้สึกเหมือนคล้ายเหมือนคนอิ่มข้าวเมื่อเราอิ่มข้าวแล้วมันก็ไม่อยากกินอะไรเพิ่มขึ้น คือเมื่อไหรที่เรานอนหลับอิ่มอิ่มนะตื่นขึ้นมามันก็สดชื่นไม่อยากนอนน ะ, อะได้พักผ่อนเต็มที่มันก็ไม่อยากพักแล้วได้กินเต็มที่มันก็ไม่อยากกินแล้วรู้สึกว่าท่านอิ่มในธรรมที่ท่านรู้ที่ท่านมีนะะมันอยู่ในตัวอยู่ในใจของท่านไม่ได้คนปลายนิมนตอะไร อ, อยู่ด้วยตัวด้วยใจของท่านเองตลอดเวลาเลยอันนี้คือสิ่งที่สัมผัสได้นอะอันเนี้ย ก็เพียงแค่ได้มาบอกเล่านะให้พวกเราได้ฟังบ้าง น, นะแต่ก็ถือว่าตัวเองก็มีโอกาสที่ดีที่ได้เห็นสิ่งนี้นะแต่ก็เชื่อว่าแม้คนอื่นไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราได้ยินธรรมะของท่านบ้างเราก็เอาไปทําเถอะนะแม้ได้เห็นไม่ได้สัมผัสแต่ถ้าไม่ได้ออเอาไปประธรมกับตัวเองก็ก็าชื่อว่าไร้ข้ามเหมนกันนะเขาเชื่อว่าไร้ข้ามเหมือนกนอ แต่ถ้าใครนะที่ได้เอาธรรมะของหลวงพ่อไปไปปฏิบัตนะิให้อยู่ในเนื้อในตัวในใจของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะก็คิดว่าการนักสำทานของหลวงพ่อเองก็ไม่ใช่เป็นการนะที่เราต้องนะร้องห้เสียใจอะไรนะแต่ใหเรายอมรับความจริงว่าเป็นเช่นนั้นนะหรือบางทีก็ต้องอนุโมทนาหรือบางทีก็ต้องคอย เียกว่าเข้าใจเนาะส่างขานที่เป็นรูปของท่านเันทุกจริงจริงท่านได้ัะทุกของลูกไปได้เนี่ยก็อืมก็เหมือนก็สบายสบายกายไประ ด, ดับหนึ่งเพราะที่ยิงทุกทางใจของท่านคงละได้นานแล้วพวกเราเองนั่นแหละยังอยู่กับลูกที่ทุกอยู่หรือบางทีก็ยังอยู่ในนามที่มันยังทุกอยู่ยังหลงอยู่ เราจะทำยังไงให้ใจเราลนะความทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดเกิด ข, ขึ้นจากความหลงของเราได้น่าจะเป็นจิจของเราเนาะที่จะได้ถึกสารต่อนะสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนไะว้เพื่อที่ได้อยู่กับกายที่ต่อไปมันต้อทุกข์กวนี้เนาะนะมันต้องเก็บกวนี้มันต้องแก่กวานี้แลาวสุดท้ายมันต้องแตกดับตายไปเราจะอยาก ตายแบบหวงพ่อไหมตายแบบตัวหมดตายแบ บ, แ บ, บมิตรุษใจอ่านี่เราก็ต้องฝึกผัดเนาะแต่ไม่ใช่เราติดคิดอ่านเะ่นั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างเหตุสร้างเหตุก็คือการรู้ตัวการมีสติพยายามฝึกบ่อยอฝึกบ่อยบ่อยจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่ามีสติยืนเดินนั่งนอนพูดเหยียดเคลื่อนไหว อินดื่มทับทายเจ็บปวดนะฝึกทุกนะมีสติเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเนี่ยดูไปเรื่อยอันนี้แหละคือควาสัมพันของหลวพ่อที่ที่กับผมเวลาจะมาได้ได้เรียนรู้ได้สัมผัสนะก็เชื่อว่าพวกเราหลายคนไหนท่านก็คงได้สัมผัส่าคล้ายๆกันคล้ายๆกั น, ะ น, ะนะนะ พ่อคอยพวกเราทุกท่านเนาะไ ด, ได้ได้เดินตามคำสำพรของขอ ง, ของพ่อคมเขียนของพระพุทธเจ้าเนกรขทั่งสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนาะในปัจจุบันในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเพลิน